ยี่สิบเจ็ดเดืในโรงแรมการมาถึงเวชบูติอาอัตวิกเค a ัคุณมีห้องว่างไหมคะอลวาบร ดิฉันจองห้องแล้วค่ะอาชุสิสเกียมบรีดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะมานุพาวาร์ดมิลเลอร์มิลเลร์สดิฉันต้องการห้องเดียวค่ะมันเรเกวีนเบียโจคัมบรุดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ มานเรียกคิดวิวิ a บรห้องราคาคืนเท่าไหร่คะเคี่ยเกนุเอคัมบรีสุจนาคติดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะอชโนเรียคั u บรูสุ i วเน่ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะนรุ ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Argelupamati Tamburi ที่นี่มีโรงรถไหมคะ a r g e l i r Garages ที่นี่มีตู้นิราภัยไหมคะ Argelira Safes ที่นี่มีเครื่องแฝกไหมคะ a r g e i r a f a x s ดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะเกไรอาชิโมคัมเบรีนี่กุญแจห้องค่ะเชรากเตนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะเจมมานอเบกาเจสบริการอาหารเช้ากี่โมงคะเคลินทาวาลเดปุสริเช บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะเคลนตาวาลันเดปิเอตุสบริการอาหารเย็นกี่โมงคะเคลนตาวาลันเดบัการิอาารันิ